ตอนที่ส0วรรคที่หปัญหาที่หกถามถึงความต่างกันแห่งน้ำตาข้าแต่พระนาคเสนบุคคลคนหนึ่งร้องไห้เพราะบิดามาันดาตายอีกคนหนึ่งน้ำตาไหลเพราะความชอบใจธรรมะน้ำตาของคนทั้งสองนั้นน้ำตาของใครเป็นเพศัตว์น้ำตาของใครไม่เป็นเพศัตว์ ขอถวายพระพรน้ำตาของคนที่ร้องไห้ด้วยราคะโทสะโมหะเป็นน้ำตาร้อนส่วนน้ำตาของผู้ฟังธรรมนั้นมีน้ำตาไหลด้วยปิติยินดีเป็นน้ำตาเย็นเป็นอันว่าน้ำตาเย็นเป็นเภสัชน้ำตาร้อนไม่เป็นเภสัชถูกดีแล้วพหาเกษตปัญหาที่เจ็ด ถามถึงความต่างกันของผู้สเสวยรถคาแต่พะนาเกเสนผู้ปราศจากราคากับผู้ไม่ปราศจากราคาต่างกันอย่างไรขอถวายพระพรผู้หนึ่งยังมีความยึดถืออีกผู้หนึ่งไม่มีความยึดถือยึดถืออะไรยึดถืออะไรขอถวายพระพรคือผู้หนึ่งยังมีความต้องการอีกผู้หนึ่งไม่มีความต้องการ ค่าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ปราศจากราคะกับผู้ไม่ปราศจากราคะก็ยังต้องการของเคี้ยวของกินที่ดีงามอยู่เหมือนกันไม่มีใครต้องการสิ่งที่ไม่ดีงามโยมเห็นมีแต่ต้องการสิ่งที่ดีงามเหมือนกันหมดขอถวายพระพรผู้ปราศจากราคะยังรับรถอาหารยังกินอาหารอยู่เหมือนกันก็จริงแหละ แต่ทว่าไม่ยินดีในรสอาหารส่วนผู้ไม่ปราศจากราคะยังยินดีในรสอาหารอยู่ไม่ใช่ไม่ยินดีในรสอาหารเข้าใจแก้พระผู้เป็นเจ้า